เริ่มแรกในส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะรับฟังคําสอนได้เนี่ยคนนั้นเนี่ยต้องเริ่มรู้จักพิจารณาชีวิตอย่างลึกซึ้งแล้วว่าชีวิตเรามันเป็นยังไงกันแน่มันเกิดมาแล้วเอ๊ะทำไมมันก็ทําเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันวะจะทําอย่างนี้ไปจนตายแล้วก็ทําใหม่หรืออะไรเงี้ยหรือไม่มีมุมหนึ่งบางคนก็รู้สึกว่ามีทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังเอ๊ะรู้สึกว่าความสุขเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เนี่ยเราน่าจะมีศักยภาพที่จะ มีความสุขในชีวิตมากกว่านี้ได้เ้วก็ค้นหาก็คนหาว่ามันจะทํำยังไงที่มันจะมีความสุขมากกว่านี้มีเงินมีรถมีบ้านมีผู้หญิงมีผู้ชายมีลูกมีอะไรอครบทุกอย่างสมบูรณ์เยอะความสุขดีแต่รู้สึกว่ายังสุขได้มากกว่านี้ยังต้องมีทางมากกว่านี้อีกคนอย่างนี้เรียคนมีปัญญาเขาก็หาทางทีนี้มาเจอธําสอนพุทธเจ้าเจอครูบาอาจารย์ ที่ช่วยแนะนำได้ทีนี้ศรัทธาต้องมาเพราะว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์จะบอกให้ไปทําให้ไปลองเริ่มทาดูมันต้องฝืนกิเลสตัวเองมันต้องฝืนความเชื่อที่เคยโง่ๆของตัวเองมาก่อนครูบาอาจารย์พูดบางทีไม่เชื่อก็ไม่ได้คิดแบบนั้นก็ใช่ก็ใช้คิดเอาเพราะฉะนั้นต้องอาศัยศรัทธาก่อนที่ว่าจะลองทาดูแล้วถ้ามีศรัทธาเนี่ยมันถึงจะไปลองทาดูได้พอไปลองทำดูแล้วปุ๊บมันจะเห็นผล พอมันเห็นผลด้วยตัวเองปุ๊บ ม, มันเดินต่อได้มันมีกําลังใจที่จะเดินต่อได้มัน อ, อ๋อจริงด้วยเว้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยหลายอย่างจริงๆเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องซับซ้อนนะมันละเอียดมากสมาธินี่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองเราไม่ได้ไปทํามันขึ้นมาแต่ว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าเราต้องมีสมาธิ เราถึงจ ะ, จะเจริญในทางธรรมได้พอเราถ้าเข้าใจคําพูดแบบนั้นปุ๊บทุกคนพยายามจะทําสมาธิสังเกตไหมว่าเราทุกคนเนี่ยพอสนใจปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยหรือว่าเขาพูดถึงว่าจะปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกคนก็คิดถึงเลยนั่งขัดสมาธิหลับตาปุ๊บนิ่งเปี้ยห้ามขยับทุกคนก็คิดแบบนั้นเลยทันทีไม่น่าเชื่อก็เป็นแบบนั้นทุกคนอาจจะเพราะว่าดูหนังเมื่อก่อน นังจักจักวงๆมาเยอะเห็นลูซีนั่งสมาธิอะไรที่ว่านั่นปฏิบัติธรรมแต่พระพุทธเจ้านี่ไม่เคยพูดเลยว่าต้องนั่งหลับตาอราพระพุทธเจ้าจะพูดถึงอิริยาบถใหญ่ใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนไม่เคยพูดเลยว่านั่งเฉยเฉยนั่งนิง่งนิ่งนั่งหลับตานี่ไม่เคยพูดแบบนั้นพูดอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราก็รู้อยู่ เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งนอนเนี่ยยังปฏิบัติ ท, ทําได้เลยไม่ใช่เรื่องการไปนั่งนิ่งๆแบบนั้นนั่งหลับตาแบบนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิมันเลยเป็นสมาธิบนความตื่นตัวบนความตื่นรู้ที่มันถูกต้องแต่สมาธิบนความตื่นตัวบนความตื่นรู้นี้ทําขึ้นมาได้อป่าก็ไม่ได้ทําเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ทําอะไรเราแค่รู้สึกตัวอันนี้ไม่ตามความคิดไปมันก็ตื่นตัวอยู่แล้วถ้าเราไม่ลงไปในความคิด มันก็ตื่นตัวอัตโนมัติเลยเราไปเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการต้องทําสมาธิอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอันแรกของนักปฏิบัติจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการเข้าใจความจริงของสรรพสิ่งว่ามันเป็นยังไงการที่เรากําลังเรียนรู้ความจริงไม่ใช่การที่เราจะไปทําอะไรขึ้นมาเพื่อจะได้อะไรขึ้นมา เพราะการที่เราจะไปทาอะไรขึ้นมาเพื่อจะได้อะไรขึ้นมานั่นเรากำลังมีตัวตนตลอดตั้งแต่เริ่มเลยเรากะว่าหวังว่าเราทำสมาธิแล้วเราจะได้ปัญญาเราทำสมาธิแล้วจะเดินอยู่บนอริยามรรคได้มรรคได้ผลมันมีแต่หวังอย่างเดียวมันมีแต่โลภมันมีแต่ความจะเอาความอยากจะได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะถึงเพราะตั้งแต่เริ่มมันก็มืดแล้ว แต่การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือการที่เราได้เรียนรู้ความเป็นจริงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ๋อความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ความเป็นจริงเนี่ยพระจันทร์มันมีนะไม่ใช่ไม่มีแต่เพราะว่าเมื่อก่อนเรามีเมฆหมอกบังตลอดจนวันหนึ่งก็มีคนมาสอนเราบอกว่ารู้เปล่าว่าจริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนบุคคลเราเขานะทุกอย่างมันทำงานเอง พอเข้าใจว่าจริงๆโลกมันก็เป็นแบบนี้นมันตกอยู่ภายใต้กฎตายรักกฎชังเังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอันนี้เป็นอย่างนั้นเองไม่ใช่มีใครคนใดมีพระเจ้าองค์ไหนจะมาสั่งการบังคับควบคุมอะไรได้ทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมตามเหตุปัจจัยพอเราฟังนี้ปุ๊บโอเคแล้วเราจะพ้นจากความเห็นผิดแบบนี้ยังไงก็มีคนบอกแล้วว่าเราก็ต้องรู้ว่า ความเข้าใจแห่งความจริงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คือว่าสภาพที่มันพ้นไปจากโมหานี้สภาพมันพ้นไปจากกิเลสนี้มันมีอยู่ตลอดชีวิตเราโตขึ้นมาเราก็รู้สึกว่ามีเราตลอดนี่เรานี่เร า, เราแล้วก็มีสภาพของความดิ้นรนตลอดก็คือโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้ความสุขอยากมีความทุกข์ ตลอดเวลาเราไม่เคยมีสภาพอยู่สภาพหนึ่งเลยที่มันมีอยู่แล้วเราไม่เคยมีมันเลยวันนึงก็มีคนบอกเราว่าลองดูสภาพนี้มันมีอยู่แล้วแล้วพอวันนึงเราได้เห็นมันก็คือสภาพแห่ความเป็นปกตินี่แหละเราพอเห็นมันเราก็อ๋อมันมีอยู่แล้วเราก็เริ่มเข้าใจมันพอเราเริ่มเข้าใจมันจริงๆก็ไม่ใช่เราเข้าใจมาหรอกจิตนี่มันเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันมีสภาพความจริงแบบนี้อยู่ด้วยที่ถูกปิดบังมานาน พอเริ่มเข้าใจาความจริงแบบนี้เข้าแบบนี้เข้าจิตที่มันเคยมีแต่เมฆหมอกปกคลุมซึ่งเป็นผลให้เกิดอะไรเกิดปฏิจจสมุปบาทขึ้นตลอดเวลาก็คือมันมีอวิชชามันก็มีสังขารมีวิญญาณไปจนทุกข์ทั้งชีวิตของเราที่ผ่านมาแต่พอเราได้รู้จักความจริงที่มันมีอยู่แล้วเนี้ยที่เราไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยกลายเป็นวงจรปฏิจจานี้มันเกิดต่อไม่ได้ เพราะว่าสภาพนี้มันเป็นสภาพไรลักษะไรโทรสะไรโมหะสภาพแบบนี้เป็นสภาพของความบริสุทธิ์ของความปกติหรือว่าที่เขาเรียกว่านิพานชิมลองพอจิตใจมันรู้จักสภาพแบบนี้บ่อยๆเข้าไอสติหรืที่เราถูกสอนมาว่ามันต้องมีมันมีเองสมาธิที่เราถูกสอนมาว่าต้องมีที่เป็นสัมมาสมาธิมันก็มีเองจากการที่ได้เห็นได้รู้จัก ให้สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันต่อเนื่องให้มันบ่อยๆคําว่าต่อเนื่องก็คืออะไรบ่อยๆไม่ใช่ไปจ้องมันเอาไว้แต่เราเห็นมันบ่อยๆมันก็เป็นสมาธิมาพอสติสมาธิอันนี้มันแก่รอบแก่รอบมากขึ้นด้วยธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็ทําให้ปัญญาเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลเกิดได้มันเหมือนก้อนหินที่ผมบอกก้อนหินเนี่ยเวลามันเมื่อก่อนเนี่ยมัน เคยเป็นก้อนเหลี่ยมๆ เ, เป็นก้อนเหลี่ยมมุม ม, มีเหลี่ยมมีมุมพอมันตกอยู่ในน้ําสายน้ําก็พัดมันกลิ้งไปกลิ้งไปกลิ้งไปกลิ้งไปไปไกลเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันก็กลายเป็นก้อนกลวดมนสวยงามเอามาใส่ในตู้ปลามันก็คืออะไรนั่นแหละธรรมชาติธรรมชาติมันขัดเกลาเหมือนกัน จิตของเรานี้ที่รู้จักความเป็นปกติพ้นออกจากสภาพของการที่มีแต่กิเลสปกคลุมอยู่เนี่ยสภาพนี้แหละมันขัดเกลารจิตเรามันค่อยๆขัดเกลารจิตเราขัดเกลารไปจนวันหนึ่งมันสะอาดมันบริสุทธิ์แล้วมันก็หมดกิเลสมันก็ไม่มีกิเลสมันก็พ้นจากสภาพการปรุงแต่งใดๆที่เขาเรียกว่าถึงวันหนึ่งจิตเราก็จะพ้นจากสภาพความปรุงแต่งทั้งปวง ไม่มีอะไรสามารถปรุงแต่งจิตได้อีกต่อไปมันก็ไม่ต้องทุกข์นี่แหละมันธรรมชาติทั้งหมดมันเป็นเองหมดมันเป็นเองตั้งแต่เริ่มถ้าเราเข้าใจให้ถูกว่าการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้รู้จักความจริงที่มันมีอยู่แล้วการที่เรารู้จักความจริงที่มันมีอยู่แล้วนี้มันทําให้เรารู้จักความจริงอีกอย่างหนึ่งคืออะไรความจริงของโลกใบนี้ว่ามันตกอยู่ภาใต้กฎตาละ พอเรารู้จักความจริงแห่งความเป็นปกติหรือสภ า, าพความจริงสภ า, าพที่มีอยู่แล้วที่มันไม่เคยเกิดมันไม่เคยดบับมันมีอยู่แล้วมีอยู่ตั้งแต่เราไม่รู้ว่ามันมีตั้งแต่เมื่อไหร่พอเรารู้เห็นสภ า, าพนี้แล้วเนี่ยเราจะได้สมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเราจะได้สมาธิที่เรียกว่าสมาธิที่มันตื่นรู้เราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานเพราะฉะนั้นในขณะที่เรารู้ตื่นเบิกบานนี้เราก็เห็น สภาพทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นอิทัพปัจจยตามันเป็นปฏิจจสมุปบาทเราจะเข้าใจทุกอย่างเลยในโลกนี้แต่ถ้าเราไม่มีสภาพของความเป็นปกติอันนี้อยู่เลยไม่มีสภาพของสัมมาสมาธินี้อยู่เลยต่อให้เราเข้าใจไตรลักษณ์ต่อให้เราเข้าใจอิทัิปัจญาตาต่อให้เราเข้าใจสิ่งเกิดดับทั้งหลายมันก็เข้าใจบนความคิด ถึงแม้จะเห็นมันก็มีตัวตนเข้าไปเห็นเพรา ะ, ะนั้นการเห็นนั้นเขาถ้งเรียกว่ามันเห็นแต่เห็นไม่จริงเนี่ยมันเป็นความละเอียดอ่อนของการที่ว่าเราจะเห็นสิ่งใดริ่งหนี่งเราเห็นจริงหรือเปล่าถ้าเราเห็นแต่มันเห็นไม่จริงเนี่ยความเข้าใจที่มันเกิดเข้าไปในใจเนี่ยมันเกิดไม่ได้ไมันเข้าไปในสมองอย่างเดียวที่ผมบอกให้เมืเม่อก่อนนี้เราอ่านหนังสือกัน วเวิร์ดใช่ไหมยืดยาวหนังสือทำรรมาทั้งหลายอ่านก็เข้าใจหมดอะ่ะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวกูของกูโลกมันว่างอะไรแต่พอเราโดนด่าแล้วก็โกรธเป็นฟืดเป็นไฟเหมือนเดิม <laughs> ผมเคยแปลกใจเหมืนอนกันว่าทําไมเป็นแบบนั้นเราอ่านเข้าใจแต่ทําไมเราทําไม่ได้เพราะในความเป็จริงมันไม่ใช่เรื่องของการทำมันเป็นเรื่องของเราขาดความเข้าใจสิ่งหนึ่งก็คือสภาพสภาวะที่มันไลรลาคะไโรโถสะไรโมหะ สภาพสภาวะที่มันปกติอยู่เราขาดเราไม่ได้เรียนรู้ความจริงอันนี้อีกันหนึ่งแต่พอเราเรียนรู้ความจริงอันนี้อีกอั น, น, นหนึ่งปุ๊บความรู้ความจริงทั้งหมดก็เริ่มครบก็เริ่มประกอบกันมันก็เริ่มเปลี่ยนแป ล, ง, ปลงมันก็เริ่มเป็นสติที่เป็นสัมมาสติจริงๆมันก็เริ่มเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิจริงๆและนั่นแหละทุกอย่างก็เกิดเกิดเองสภาพของจิตที่ ไม่มีอะไรสามารถปรุงแต่งได้อีกต่อไปมันก็เป็นสภาวะที่มันเกิดเองเหมือนกันแม้กระทั่งว่าจะมีเหตุปัจจัยทั้งหลายทั้งหลาที่มันมนรวมกันแล้วสภาพแบบนี้เนี่ยปัจจัยแบบนี้เนี่ยเราต้องโกรธแน่โกรธแน่ๆ แ, แต่มันปรุงไม่ได้นี่แหละคือเขาเรียกว่าสภาพที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้อีกต่อไปคือมันปรุงไม่ได้อันนี้เป็นความอัศจรรย์ของของศาสนาพุทธ